ตั้งใจฟังให้ดีกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆที่ต้องย้ำเรื่องนี้เพราะาผู้ภาวนา ยังไม่เป็นก็มีอยู่ผู้เป็นแล้วก็มีอยู่จึงได้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดียวเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนไปของอนิจจังไม่เห็นความเปลี่ยนไปของทุกขัง ไม่เห็นความเป็นไปของอนัตตาเราจรึงปล่อยวางไม่ได้เราจรึงละความทุกข์ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงทั้งเป็นรูปนามทั้งเป็นรูปทั้งเป็นนามรูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยง รูปเป็นทุกข์นามก็เป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตานามก็เป็นอนัตตาแต่เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นอัตานัตตาอะไรหรอกเมื่อเราไม่เห็นมันก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะจิตมีความยึดจู่หรือว่าไม่รู้ทางไป ผู้ปฏิบัติจึงไม่สามารถที่จะํำราจิตของตนให้บริสุทธิ์ไปได้ยิ่งเรากนดว่าเรานี่เก่งแล้วดีแล้วได้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วยิ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของเรามานมันไม่ให้โอกาสแกเรา ง, ง่ายหรอกถึงว่าเราได้แล้วก็ต้องระวัง ระหว่างมารมานมันกลับใจคนได้เยอะจะบวชอยู่ น, น, นานๆมารกลับใจไม่ถึงปีเมื่อแรกก็จะให้ใ้นานๆให้อยู่เป็นตลอดไปชีวิตนี่ตั้งใจไว้แต่ในที่สุดไม่ถึงเดือนสองเดือนก็พ่ายแล้วเพราะมารกลับใจละนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงพยายามระวังให้สำรวมระวังมีความนอบนอบ้นอม บ, บูชาอยู่ตลอดเวลากว่าเราจะเห็นอาจเห็นธรรมของพระพุทธเจา้านี่มันไม่ใช่ของง่ายงมันเกิดจากของอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดจากความศรัทธาเกิดจากปัญญามันถึงได้ถึงถึง ต้องให้ระวางให้มีศรัทธาอยู่ต่อเวลามองหาแง่ดีอยู่ต่อเวลาถ้าไม่มีศรนะัทธาทำยังไงมันก็ไปไม่ได้ดีไม่ดีเสื่อมไปเลยก็มีได้แล้วเสื่อมไปไม่คงทนถาวรเสื่อมไปแล้วยังว่ามันเหลืออยู่ดีอยู่ไม่ใช่มันไปข้างมันแล้ว ต้องมาฟื้นใหม่อีกมาทําใหม่อีกมาแก้ใหม่อีกจึงจะได้กลับคืนแก่นี่ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เห็นเป็นอนิจจังอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้เป็นนาตาคือไม่มีตัวตน ที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่ของเรานี่ของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเรานี่แหละมันเป็นอย่างนี้ให้พยายามพิจารณาลงไปที่ตัวเราตัวเรานี่มีอะไรบ้างเอาเนื้อออกเอาหนังออกก่อนเอาออกมดนั่นแหละหนังมันไปถึงไหนถึงไหนเอาออกมดเลย เอาหนังออกเอาเนื้อออกเนื้อก็ออกเนื้อไงปาดออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนหมดไม่มีเนื้อในตัวนี้เลยเนื้อก็ไปรวมไว้ที่หนึ่งหนังก็ไปไว้ที่หนึ่งเหลือแต่โครงกระดูกกับเส้นเอ็นที่ยึดโยงกันอยู่นั่น ให้พิจนาเข้าไปอย่างนั้นเนื้อพิจนาแบบรัดนะเอาง่ายๆคือเอาหนังออกแล้วก็เหลืออะไรก็เหลือเนื้อเอาเนื้อออกเหลืออะไรเหลือแต่โค้งก็ดู ก, กับเส้นเอน็นทีนี้ตัดเส้นเอ็นออกเส้นเอ็นของเราเนี่ก็ตัดออกมดเลยให้เหลืออยู่ก็ดูก็ชงอยู่ไม่ได้ก็ต้องเป็น กองอยู่กับพื้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นเลยเอาไปเผาไฟเผาไฟให้ไหม้เลยเอาฐานไม้แดงเนีย่ยเผาเอาไม้แดงไม้เต็งเผากระดูกนี่ละเอียดไปเลยเหลืออยู่นิดหน่อยท่านเองไม่มาเพราะไฟมันแรง ถึงเหลือน้อยก็าตามมีเท่าไหร่เก็บมาหมดกระดูกของเราเนะ่ยเก็บมาหมดเลยเก็บมาเอาใส่กระดงไว้บด ท, ที่นี้เอาหินมาบดบดบดบดให้ละเอียดมดเป็นฝุ่นกระดูกเราเป็นฝุ่นเป็นเท้าอืมเป็นเท่าเป็นฐาน เอาผานนั้นนะเอาละเอียดผานนั้นนะกระดูกเราเป็นเท่าเป็นฐานเป็นล ะ, ละเอียดเป็นผุยผงไปเลยบ้านี้ละเอียดมากเอาใส่ถาดไว้กระดูกของเราเนี่ยถาดหรือใส่กระด้งนี่แหละสลัดขึ้นบนฟ้า ครขอมองเลยตัวเราอยู่ตรงไหนเห็นตัวเราไหมเห็นแต่ฝุ่นฟุ้งอยู่ตัวเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นเลยหมดกันะ เ, เหลือแต่ภาพถ่ายไว้ให้ดู ว่าตัวเราคืออย่างงี้แต่ในที่สุดไม่มีอะไรเลยเป็นฝุ่นเป็นผงไปหมดเป็นเท้าเป็นฐานเป็นอะไรไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นตัวเราของเราเลยเราจะไปยึดเตียวตรงไหนว่าเป็นเราผมมันก็สลายไปแล้วขนมันก็สลายไปแล้วหนังมันก็สลายไปแล้วเข้ากองไฟเลยเนื้อก็สลายไปแล้วเป็นเท้าเลย มาดูก็สลายไปแล้วเป็นฐานนะเส้นเอ็นก็เป็นเท่าไปหมดเลยดูที่เหลืออยู่ก็เพียงเล็กน้อยไม่มากมายอะไรเอามาบดมาโขกให้ละเอียดแล้วมาสับมาโขกมาอะไรให้ละเอียดแล้วเป็นผุ่นเป็นผงเอาให้มันฟุ้งขึ้นไปสาขึ้นไปบนฟ้า มันก็ไม่เหลืออะไรเลยวะนี้มันไม่เหลือรูปเหลือน้ำเหลืออะไรไว้หรอกน้ำมันก็ไปแล้วไปสู่ที่คนไปแหละมีบาวก็ไปตามบาบุญไปตามบุญเลยวะนี้กินแต่ก็ทิ้งร่างอันนี้แล้วมายึดไม่ถือแล้ว ที่มันยุ่งยากในโลกนี้เพราะอะไรเพราะมันยังยึดยึดถืออยู่อย่างสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่เห็นว่าตัวเราเห็นว่าเป็นของเราเห็นว่าตัวตนของเราความยึดถือมันก็ไม่ไม่หลุดไปจากใจแล้วสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวของเราอยู่เป็นร่างกายของเราอยู่เป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ ดนั้นมันเป็นของไม่แน่นอนหาสาระแกนสารไม่ได้เราก็ยังคิดว่าเป็นแกนสารเหมือนว่าเรานี่จะไม่แก่จะไม่เก็บจะไม่ตายว่าเรานี่จะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมันเป็นของ ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นเบื้องต้นตั้งอยู่ท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดนั่นไม่ว่าบ้านเรือนภูเขาเรากาตลอดถึงตัวเราเนี่ยมันก็ตกใต้กฎแห่งความจริงอันนี้สามอย่างนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา เป็นทุกข์ในที่นี่หมายเขาบอทนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ทรมานนะมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้อดทนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะต้องวางวางความยึดถือตัวตนวางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเห็นว่าตัวตนนี้ไม่ ไม่เป็นของกีฬัอย่างยืงนเหมือนน้ำบนใบบัวต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็เหือแห้งหายไปตัวตนอันเนี้ยมาอยู่ในโลกนี้ไม่ถึงพันปีหรอกร้อยปีก็หายากแล้วเพต้องล่วงลาบดับขันไปหมดไม่มีเหลือแม้พวกเราที่เทศอยู่ก็ตามฟังอยู่ก็ตามนี่แหละ ผู้ฟังก็ตามผู้เทศก็ตามมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นเหมือนกันมันต้องเป็นไปก่อนที่มันจะถึงเวลานั้นเราต้องเอาความดีให้ได้ในโลกนี้ได้สมาธิก็เอาได้ชาญก็เอาได้มรรคก็เอาได้ผลก็เอาได้พระน่พานก็เอา ในบุญได้กุศลในการกินทานสร้างนะจ้งกินทานสร้างน้ำทำบุญก็เอาให้เอานั่นแหะเอาให้ได้มาสู่โรคนี้แล้วอย่าประมาทกันต้องเอาให้ได้มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันก็ต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ในที่นี้เป็นเอาอยัางไงก็คือปล่อยวางน่ยเราปล่อยวางได้ก็แสดงว่าดีแล้ว ถ้าปล่อยวางไม่ได้ไม่ดีต้องเอาให้ปล่อยวางได้ทําไงถึงจะปล่อยวางได้ก็ให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละอย่างที่บายมาเมื่อกี้เนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงด้วยไม่ใช่ว่ามาตกแต่งเอาตอนนี้เพราะพระุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็แสดงไว้เกสาโลมานขาทันตาตะโจ ถ้าก็สอนไว้เกษาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนังเนะี่ยพระองค์สอนไว้สอนให้เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของโสภะโสปกภพปติกูลไม่ใช่เป็นของน่ารักน่าใคร่น่ายินดีอะไรหรอกเตรียมไปด้วยความสกภพปกติกูลเนะี่ยเอาพระธรรมาพระองค์เทศสอนไว้แล้ว เกษาผมโลมาขนหนะะ้าขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังพระที่จะบวชใหม่อุปชาญจะต้องสอนอย่างนี้เหมือนกันเกษาเกษาโลมาโลมาคือขนเกษาโลมาหนะะ้าขาหน้าขาเกิดเล็บดันตาก็ฟัน ตโาโจก่หนังมันอยู่ที่ไหนหล่ะสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ว่าอยู่ที่ตัวเรานี่แหละหน้าขาก็มีที่ตัวเราดันตาฟันก็มีที่ตัวเรามันอยู่ที่เราหมดแต่ในที่สุดมันก็ไม่มันก็อยู่ตลอดไปไม่ได้ แต่คนคิดว่าโอ้มันอยู่ตลอดไปมันอยู่ตลอดเวลาตลอดการมีอยู่ตลอดเป็นอยู่ตลอดเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างอื่นเรานะมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดานี่นี่ความจริง เราต้องพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ อ, อย่าพิจารณาอย่างอื่นลูกเขยลูกสาวนั่นอนนี้หรือว่าเรื่องนี้นนต่างๆเราเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งคิดตอนนี้เอาธรรมะให้มันเกิดในใจของเราก่อนให้เห็นความจริงเหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น ให้พิจารณาเข้าไปให้ละเอียดลงไปอีกจนไม่มีอะไรที่จะยึดแต่ถือจนไม่มีอะไรที่จะสำคัญมั่นหมายจนไม่มีอะไรที่จะเอามาเป็นตัวของตัวเป็นตัวเป็นตนได้กฎของความจริงมันเป็นอย่างนี้จะเอามาเป็นของเราไม่ได้เลย เรามาอาศัยใช้มันทำประโยชน์อยู่ในโลกนี้ช่วระยะ ก, การเวลาอันน้อยนิดเดียวร้อยปีนี่เป็นเกณฑ์อายุของคนในยุคพุทธศาสนานี้แต่จะร้อยยี่สิบปีสาสิบปีก็มีบ้างแต่หายากมากนั่นเจ็ดสิบแปดสิบนี่มันไปกันหมดอะหกสิบห้าสิบนี่ก็เริ่มไปละนั่นมันเป็นเงิน ไปเป็นเท่าเป็นฐานเนี่กายอันนี้เรามายึดมาถือเอาของไม่จริงว่าเป็นของจริงมายึดมาถือเอาของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงมายึดถือเอาของที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นของมีตัวตนพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้แหละ สอนให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นไม่เป็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราโลภมันก็เกิดเพราะมีตัวนี่แหละหลงก็มาเกิดเพราะมีตัวนี่แหละ โกรธก็มีที่ตัวเรานี่แหละมาหลงกิดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนกิเลสก็เลยได้โอกาสถ้าจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ก็ยากกิเลสมันดักหน้าดักหลังยิ่งเราพยายามหนีจากกองทุกข์เท่าไหร่มันยิ่ง มันยิ่งทําขึ้นไปยิ่งกั้นกลางเราไม่อยากให้เราได้บรรลุท่านทึงว่าให้มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นไคือผู้คอยแนะนำพร่ำสอนอยู่เรื่อยอาจรารนยะ์ดูความประพฤติของผู้นั้นว่าที่อย่างดือไหมที่อย่างเป็นยังไงดีไหมหรือไม่ดีจะได้บอกได้สอนอยู่เรื่อยๆ ถ้าห่างครูบาอาจารย์ไปานานนีออ่ก็มันได้คิดถึงละครูบาอาจารย์จะคิดถึงอยู่ก็าตามเมตตาอยู่ก็าตามแต่เราห่างไปห่างไปก็ได้โอกาสเกล ม, มารเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างนั้นบ้างนั่นในที่สุดก็เลยไม่ได้อะไร ตายเกิดมาแล้วหวังจะหนีจากกองทุกก็เลยหนีไม่ได้ต้อ ง, องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัดแต่สงสารน้อยใหญ่นี่โอ้ไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรเราจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกกลับหนึ่งนึงนี่นานมาก ความกว้างใหญ่ของกับหนึ่งมันนานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตัดเรื่องกับเรื่องกันไว้พระโอริงถามพระพุทธเจ้าว่ากับหนึ่งนานเท่าไหร่พระเจ้าค่ะนานมากพิสุเพราะจะกําหนดได้ไหมว่ามันจะประมาณเท่าไหร่สะใบหนึ่งกว้าง หนึ่งโยต์ยาวหนึ่งโยน์สูงหนึ่งโยน์ว่างคูณยาวคูณสูงร้อยปีเทวดาเอาร้อยปีเทวดาเอาเม็ดงาเม็ดหนึ่งมาทิ้งไว้ร้อยปีก็เอามาอีก เม็ด ท, ที่สองคือพอถึงร้อยพีปับ๊บก็เอาเม็ดงามมาลงถึงร้อยพีปับ๊บก็เอาเม็ดงามมาลงจนกว่าเม็ดงานนั้นน่ะเต็มสระไปนั้นเม็ดงานเต็มสระไปนั้นจึงเรียกว่า กับหนึ่งจุดเดียวกับหนึ่งลองคิดดูสิว่ามันจะขนาดไหนนานไหมคนเราเกิดมา ไ, ม, ไม่ใช่ว่าเกิดเพียงกับเดียวร้อยกับแสนกับพันกับล้านกลับมแล้ว บางทีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราก็ไเปเว็นอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้โอกาสฟังธรรมบุญกุศลของเราก็ไม่มีแต่นี่ยังโชคดียังมีพุทธศาสนาอยู่ยังเหลืออยู่คําสอนพระเจ้ายังสมบูรณ์อยู่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าวความสําเร็จมากผลมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำถูกต้องดีงามแล้ว มันกะดมากได้ผลให้พิจารณาเข้าไปเรื่อยพิจารณาให้เป็นยังไงพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเองพิจารณาให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเอง อะไรเป็นเที่ยงอะไรเป็นทุกข์เป็นหน้าตาตัวตนของเราเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกเห็นว่าผู้เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, มาตายอีก ธนวาชาติสุดท้ายการเกิดครั้งสุดท้ายแล้วนี่ยจะไม่มีการเกิดอีกสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพาาระอรหันต์เราก็มีโอกาสได้เกิดอีกเกิดมาไม่ใช่มีสุขอย่างเดียวทุกข์ก็ตามมาด้วยทุกข์เพราะกิเลสกิเลสในใจของเราไม่หมดไป กิเในใจของเรามันไม่หมดไปมันไม่สิ้นไปราคะมันก็ไม่สิ้นจากใจเราโทสะมันก็ไม่สิ้นจากใจเราโมหะมันก็ไม่สิ้นจากใจเราไม่ว่าราคะโทสะโมหะมันไม่สิ้นจากใจเรา เราก็ต้องท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัดตระสงสารนี้นานแสนนานไม่ใช่กลับเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วมันหลายร้อยกลับหลายพันกลับหลายแสนกลับหลายอสงไข่กลับไม่สามารถนับได้เลยว่ามันกี่พบกี่มันเท่าไหร่มันอะไรยังไงท่านถือว่าให้ทม ทำให้มันหลุดพ้นให้มันหลุดพ้นจากกองทุกเนี่แหละถ้าเราสามารถทำให้หลุดพ้นได้เราก็พเอเสด็จได้อย่าประมาทนะภาวนาไปแล้วฉันภาวนาไปแล้วอย่าประมาทมันเกิดขึ้นได้มันเสื่อมได้ หมายถึงสมาธิสึกชานในพวกนี้มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมได้เมตตามากขนเป็นพระสรบัลถ้าประมาทในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นมันก็เสื่อมได้สศิษาคามีอนาคามีต่อถึงพระอรหันถ้ายังใส่ร้ายป้ายสีหรือตำหนิเตียนผู้อื่นอยู่ ก็าสามารถเสื่อมได้อ่อนกลาลังลงได้หายไปได้เพราะนั้นผู้ปฏิบัติพอเห็นเห็นธรรมเพราะงั้นเห็นธรรมก็นึกว่าดีแล้ววะนี่ เราวิเศแลวเราเห็นทำแล้วไม่นานเสื่อมเลยเสื่อมไปก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมไปยังไงมันเสื่อมไปอ่อนกำลังลงเพราะไม่นั่งสมาธินี่ไม่กำหนดกิจไม่เข้าช้านเข้าอภิญญาอะไรต่างๆไม่ไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ทำปล่อยไปตามเรื่องตามราวพ่อเราทำเป็นแล้วได้แล้วดีแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าได้แล้วดีแล้ว เราก็พล อ, อยดี อ, อกดีใจไปตามนั้นในที่สุดมันไม่อยู่ที่เดิมน ะ, ะเหมือนเราโยานก้อนหินลงในน้ำเลยวัปุ๊มครั้งแรกมันก็ลงไปเลยหิดของเราเหมือนกันมันก็เสือเส่อมเสื่อมเสืมเสมเสืมไปหมดไปเลยโอ้มานึกขึ้นได้ที พี่โอเราใจจะขาดอยู่บนเตียงอันบนเตียงน้อยแล้ววะ น, นีน่นึกขึ้นได้แล้วโอ้ยเราคิดถึงคุณธรรมอะไรก็ไม่มปรากฏมันเสื่อมเลยได้ไปแล้วไม่รักษาดิมันก็เสื่อมได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรๆก็เสื่อมเลยไม่ใช่งั้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ เหมือนเราเอาเชือกหรือว่าสายศินน่ะอออก็เอาออกเอาออกเอาออกเอาสุดก็หมดมันก็ค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเห็นพระเห็นชงก็ทำนิตเตียนไปเห็นคนนั้นคนนี้ก็เตียนไปเห็นเขทาทําความดีก็ติเตียนไปในที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าเราไปถึงไหนบะเนี่ยกลับมาดูตัวเองไม่มีอะไรเลย เข้าสมาธิก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ถูกเขาเรียกว่าห่างห่างจากคุณความดีนั่นแหะพิจารณาเนี่ยมันทำให้เราวางได้เราวางได้แล้วเราก็รักษาความปล่อยวางของเราไว้ให้ดีอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันหมดไป อย่าให้มันสลายไปจากใจเรากลับไปแล้วเราต้องทำบ่อยๆเหาโอกาสทำถึงแม้จะไม่ได้ทำอย่างที่ในห้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้หรือในสราปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ขอให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไว้นึกถึงครูบาอาจารย์ไว้ว่าเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์องค์นี้แล้วก็ค่อยน้อมกิดลงไป ทำกิตให้สบายทำจิตให้ิดีพอใจสถาเรื่องใสเนีวยคอยทำไปเรื่อยๆหาโอกาสกำหนดรูลม่เรื่อยๆว่างปั๊บก็ลองกำหนดดูเห็นลมไหมถ้าเห็นก็เออคอยรักษาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเสีย อ, อย่างนี้โดยที่ไม่ทำเลยนี่ไม่ได้ ปไปโอ้ได้แล้วโอ้ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้ววะนี้พอเราได้แล้วมันไม่ถูกกันนี่ทางที่ถูกก็ต้องมีสติคอยกำับอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆแม้เราออกจากข้อปฏิบัติธรรมนี้แล้วก็ตามเราก็ต้องทําใจให้สงบไปเรื่อยๆไปกระทบอารมณ์แล้วเราจะเอาความรู้สึกไว้ตรงไหน หรือเราจะโกรธจะโลบจะหลงหรืออะไรเวลาเรากระทบแล้วก็ต้องเอาสติเข้ามาหาลมปัทันทีเลยสติคุมกิดมารูลมสติคุมกิดมารูลมหายใจนั่นแหละคอยดูคอยพิจะะารณาไปเรื่อยๆวันนี้สอนให้พิจะะารณา พิจาถึงความจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นนัตตาในตัวตนของเราเว่าเห็นความจริงความจริงคือการเกิดความจริงคือความแก่ความจริงคือความเจ็บความจริงคือความตายให้เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงแล้ว เราต้องวางได้เราต้องละได้เราต้องทำารจิตให้บริสุทธิ์ได้ราคะก็จะหมดไปโทสะก็จะหมดไปโมหะก็จะหมดไปโลภโกรดหลงราคะตัณหาหอะไรต่างๆมันหมดไปจากใจของเรานั่นเราตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเหตุให้เกิดแล้วเหตุเหตุดับดับไปหมด แม้แต่กิเลสในใจเล็กน้อยก็ไม่มีอย่างนี้ไปไหนไปนิพพานเลยปฏิบัติจนถึงที่สุดของที่สุดแบบนันเห็นว่าพอสุควรเก็บเวลาขอวิตติลงเพียงเตอนนี้ตั้งใ่ปฏิบัติต่อไป